บุคคลที่ไม่ควรรับเข้าหมู่สิบเอ็ดจำพวก 1. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบัรฑเตที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบัรฑเตนั้นเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าไม่ดีคนลักกะเพทคนเข้ารีดเดียรถีสัตว์เดียรฉานคนผู้ฆ่ามารดาคนผู้ฆ่าบิดาคนผู้ฆ่าพระอรหันต์คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีคนผู้ทาลายสงฆ์คนผู้ทาร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิตภิกษุทั้งหลาย อุพโตพยัญชนกที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมูถ้าสงรับอุพโตพยัญชนกนั้นเข้าหมูเป็นอันรับเข้าไม่ดีภิกษุทั้งหลายบุคคลประเภทนี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมูถ้าสงรับบุคคลประเภทนี้เข้าหมูเป็นอันรับเข้าไม่ดีภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าหมู่ถ้าสงรับพวกเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดี